พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งเอดลำดับที่11อโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่8ดกุมภาพันธ์สอมีชื่อเรื่องว่าบาปกรรมเป็นของตรงโรงทานวันที่ส1อดของเรา 10.11 อดของเราเนี่ยโรงทานวันนี้ได้ 39โรงยังไม่มากเท่าไหร่ผู้แสดงความเจนวงก็เอาบอกมาเดี๋ยวกูบาจะได้จัดล็อกให้โรงทานแต่ามจริงโรงทานนะดีนะเป็นการทำบุญในครอบครัวในตระกูลอุทิศสวนกุศลเกลี้ยงฝ่ายสงส่วนหนึ่งฝ่ายคณะสัไทาญาติโยมส่วนหนึ่ง ทำบุญลงโรงทานนะณวันที่แปดกุมภาพันธ์สองพห้ารกสบได้สามสิบเก้าลงะให้ช่วยๆกันดูนะพวกเราพาลูกหลานทั้งหลายดูทางในครัวก็เหมือนกันอนะ่ะอย่าได้ขาดตกบกพร่องถ้าจดไหนมันทําไม่ทัน หรือไม่มีคนก็รีบบอกไม่ใช่ว่านาทีสุดท้ายยังค่อยมาบอกกันอันนั้นแปลว่าขาดตกบกพร่องพระคนในวัดของเราเต็มไปหมดแต่ไม่รู้จักว่าจะทำจุดไหนตัวเองไม่บอกพอนาทีสุดท้ายว่าตัวเองทำไม่ทันก็เลยทิ้งงานไปอันนั้นแปลว่าใช่ไม่ได้ถ้าเป็นวัวล้อโวเวียนก็นแสดงว่า สลัดแอกทิ้งในยามคับขันใช่ไม่ได้บัวตัวนั้นต้องเอามาลงโทษต้องลงไม่เลี้ยวนี่ก็เหมือนกันนั่นเราอยู่ด้วยกันตรงไหนหนักตรงไหนเบ า, เาถ้ามันหนักก็บอกหมู่บอกเพื่อนช่วยเอิมันหนักนะถ้าไม่มีใครบอกก็ามาบอกหลวงพ่อก็ได้เพราะหลวงพ่อเป็นเจ้าของ กิจการเจ้าของวัดเจ้าของเรื่องราวเจ้าของผู้กําหนดเหตุการณ์เจ้าของกําหนดเรื่องราวกาหนดงานกาหนดการกําหนดการคือหลวงพ่อ้ามันหนักหนาก็บอกหลวงพ่อทำให้นหนักหนาเออบอกหมู่พวกเพื่อนด้วยกันให้ช่วยๆกันนหละการทำงานเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าหนัก ก็ทำดันทุลังอยู่อย่างนั้นหาใครช่วยก็ไม่ได้ก็บ่นว่าหนักก็หนักแต่ที่เพราะว่าตัวเองไม่รู้จักหาผู้คนมาช่วยงานการถ้าตัวเองไม่มีความสามารถที่จะหามาช่วยก็บอกมูบอกกูบายจานบอกผู้ที่ใหญ่กว่าเนี่ยการทำงานทำการ อย่างต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่ว่าโลกอนี้เปใช่ว่าโลกของอตัวคนเดียวมันต้องอาศัยกันความหนักเบามันต้องช่วยกันต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาทุกงานทุกอย่างตรงไหนที่มันขาดเหลือขาดตกที่เคยทำมาแล้วกนะ็จะได้บอกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องน้ำํำเราเคยบอกมาหลายครั้งน้ํำสําคัญคลนมามากอย่าให้ขาดตกบกพ่องน้ําถังนอกน้ําข้างในน้ําสวนป่าลํำไยให้เต็มแล้วก็น้ํำข้างนอกน้ําข้างในวัดให้เต็มบางทีพอหลวงพ่อเตือนบอกจะแน่นอน โ, โพลุยเอก ปุบปับไปล้างถังนะปกความโง่เพื่อให้ถังสะอาดพลที่สุดพอวันงานน้ำอยู่ในท่อล้างถังไหลลงไปน้ำรำปิดปีบัดเตามท่อน้ำเวลาคนแขกคนมาใช้น้ำรำทั้งหมดพ่นน้ำค้างท่อพราะกูบาเพิ่งล้างเพิ่งล้างถังใหม่ <C> e <at> สิ่งเหล่านั้นอย่าให้ได้มีมันเคยมีเคยเป็นมาแล้วมันล้วนแล้วจะเป็นความขาดความรอบครอบควาเ ป, เป็นความโง่งทั้งหมดถ้าจะล้างกระิบล้างแต่ น, น, นานๆอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนงานไม่ใช่ว่าปุบ ป, ป, ป, ป, ป, ป, ปับใกล้ๆงานถ้าจะมาล้างถังเอาน้าเข้าไปใหม่ผลที <C> e <at> ่สุดน้ า, นากอดถ้าจ ะ, จะมาไหลมาให้คนใช้ มีแต่น้ำดำหมด้นี่น้ำขุนนะพวกสิ่งเหล่านี้ล่ะต้อง ช, ช่วยช่วยกันดูแต่ขณะนี้คือเอาวันช่วงไม่ต้องล้างทางก็ได้เซิร์สโซมเข้าไปน้ำปกติอยู่ถึงจะขุนก็ขุนก็จะทำยังไง เ, เมื่อมีโอกาสยังค่อยทำความสะอาดมันแต่เรื่องน้ำเลยนะสำคัญแต่เรื่องไฟ คนมามากก็ดูโรงไฟฟ้าของเราน้ำมุกน้ำมันน้ำมันเครื่องสิ่งเหล่านั้นะอย่าให้ได้บอกกัน เ, เตรียมพร้อม เ, อเพราะตองรับตอนรับคู่คนเพียงคืนเดียวคงไม่มากนะแต่ถึงยังไงก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องใครมีหน้าที่อะไรช่วยกันดูช่วยกันคิดไม่ใช่ว่าทำหน้าที่อันหนึ่งแล้วก็ปล่อยวาง แต่การงานของเราข้างนอกเออเอาไว้ก่อนถ้ามีความจำเป็นเรื่องงานคนกลุ่มคนกรีดที่ทำงานนก็พักไว้ก่อนเพราะงานตอนนี้มันใหญ่กว่าเพียงวันสองวันเก็บสิ่งเก็บของให้เป็นระบบระเบียบจะไปทิ้งเกลื่อนกลาดเพราะหลายคนเขามาอาจจะของอาจจะเสียหายก็ไรของที่มีราคาเสียงเหล่านั้นะทั้งหลายทั้งปวงนะต้องช่วยกันคิดทั้งหมด พอวัดมันเป็นที่เปิดกว้างพร้อมที่จะเสียหายได้ของเก็บให้เรียบร้อยอันนี้ช่วยกันคิดนะพวกครูบา ท, ทั้งหลายต่อไปภายภาคหน้าจะได้เป็นหัวหน้าเป็นสมภารมันต้องจะต้อ ง, องจะต้องได้รับผิดชอบในการงานใ น, ในวัดของตนเองไม่ใช่ไปอยู่ที่ไหนกระปล่อยละเลง ไม่รับผิดชอบอะไรเลยไม่รู้ความเสีอหายจะเกิดขึ้นผลนี่สุดพอเสียของขึ้นมากัน่ะเอขอหยาดโยมอยู่เลยขอใครอยู่เลยนี่แหละสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงทําไมอยู่กับพ่อกอกับครูแล้วนะตามลําพังมันคิดตามลําพังมันหายากมันกันนะได้อยากหลวงพ่อหลวงพ่อใหญ่กันมากกับหลวงปู่ล่า ใหญ่็มากับหลวงตามหาบัวที่อยู่กับท่านเป็นผู้มีกฎระเบียบจอบเสียมในวัดน่มีจอบอยู่อันสองอันเท่านั้นแหละเสียมก็มีอันสองอันปุองกีเ่พอเสร็จแล้วเนี่ยต้องออกมาล้างล้างน้ำซะก่อนค่อยเก็บทุกครั้งถ้ามันเห็นดินติดดินน่หละหลวงปู่มาเห็นหลวงปู่ล่ามาเห็นใครเอาไปใช้นะ อ้โด่าไม่มีวันจบวันสิ้นแล้ววันนั้นเวลาเอาของไปใช้แล้วต้องล้างเก็บให้สะอาดเอาไว้ที่เก่าใครมาก็จะเอาไปใช้งมาหยิบออกไปไปใช้เสร็จแล้วเก็บมาไว้มาไว้ก่อนที่จะไว้ล้างให้สะอาดนั่นแหละอันนั้นคือพระเนน้อยมื่อพระไม่มากสองสามองค์สสาม ส, ส, ามสี่ห้าองค์อย่างมากนะอยู่ด้วยกันเรารักเรารักษาได้ แต่วัดของเรานี่หลายพ่อหลายแม่หลายครูบาอาจารย์หลายตระกูลหลายความขี้เกียจหลายความมักง่ายมันหลายไปหมดทุกอย่าง เ, เลอะเลอะเถอะไปหมดที่จะจัดให้กฎระเบียบอย่างนั้นหลวงพ่อยังมองไม่เห็นมองทีไรก็ไม่รู้จะทำยังไงขวางหูขวางตาก็ขวางอยู่เพราะตัวเองไม่เคยทำมาแต่ก็เอาเอาหูไปแล้ว เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ใส่แว่นตาดำทาท่ามองไม่เห็นนะจบจบไปให้มันจบจบไปงานแต่ละอย่างฮะถ้าจะ เ, าเข้มงวดกวดขันเหมือนสมัยเมื่อเราอยู่กับครูบาอาจารย์มันคงจะเดือดร้อนวุ่นวายไปทุกขเหงุ่นทุกหัวและแ ห, ะหงอีกเหมือนกันพอไปที่ไหนกับไปจี้ไปบอกไปกล่าวอยู่จังงั้น ผู้ที่ถูกกล่าวก่าถูกอกทุกอกทุกใจเราผู้ไปกล่าวก็ลํำคาญไม่สบายอีกเหมือนกันเป็นดาแต่เขาอยู่ตลอดก็ไม่ไม่สบายใจอีกเหมือนกันนี่แหละการที่ใหญ่กับพ่อกอกับครูเนี่ยมันดูดูแล้วมันดีนะพาลูกพาหลานทั้งหลายอย่างเมื่อเช้าเนี่ยบินธบัตกลับมาเห็นพระองค์หนึ่งคงจะเดินเดินทุโงมั้งหัดชะดงมั้ง พอเดินไปตามทางมีจานข้าวอยู่ในจานหยิบเคี้ยวไปตามทางด้วยเห็นอะไรเนี่อถ้าจะฉันก็นั่งฉันให้เป็นระเบียบฉันแล้วก็ลุกไปอันนี้ทำไมไปหาเดินฉันไปตามทางไปเคี้ยวไปตามทางดูๆเราเพื่อไม่ให้เสียเวลาอย่างนั้นใช่ไหมดูๆแล้วมันไม่งามเอ่ น, นี่แหละอันนี้แหละที่ว่า ใหญ่ไม่ใหญ่กับพ่อกอกับครูนะถ้าใหญ่กับพ่อกอกับครูแล้วกูบาอาจารย์จะตั้มในอย่างมากการทำอกับกิริยาอย่างนั้นเวลาเราจะฉันก็นั่งฉันฉันแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยกับไปเลยจะไปที่ไหนไม่ใช่เราจะเดินกินไปตามทางเหมือนกับพระว่าดญาติโยมดูๆแล้วไม่ไม่เหมาะสมไม่สวยงามเนี่ยนะ ใ น, นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงนะครูบาทั้งหลายพระเนรทั้งหลายนะถ้าอยู่ณนะสถานที่ใดโลกนี่ไม่ใช่โลกของโลกของเราคนเดียวทนะาวินัยไม่ใช่ของรรวินัยของเราเป็นพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมวินัยของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินมานะ เ, เราก็ต้องปฏิบัติตามตามทำคาสอน ตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมันสวยงามนะเพราะพุทธศาสนาเนี่เป็นศาสนาของประจําโลกมานมนานใครจะคิดทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยพระพุทธศาสนาเหมือนน้าทะเลใสสะอาดถ้ามีของแปลกปลอมเข้ามาอยู่ในทะเล ทะเลมันจะซัดเข้าหาฝั่งฮะเสิ่งปฏิกูลทั้งหลายจะคัดซัดเข้าหาฝั่งีนก็เหมือนกันะถ้าว่าพระสงฆ์องค์ใดก็ตามพระองค์ใดก็ตามทาตัวไม่ดีทําให้เสียหายในพระพุทธศาสนาเานี่ยแหะมันจะต้องซัดเข้าหาฝั่งอของปฏิกูลทั้งหลายจะจูด <c oughs> น้ำทะเลจะต้องใสสะอาด นี้ก็เหมือนกันพุทธศาสนาเนะี่ยเป็นเหมือนกับน้ําทะเลเออถ้าว่าองค์ไหนอยู่โดยศีลด้วยศีลด้วยธรรมอยู่ด้วยหลักพระธรรมวินยัยอยู่ด้วยความผาสุกค่ะพอหลักพระธรรมวินัยคุ้มครองถ้าตัวเองทําผิดพระธรรมวินัยแล้วนะ่ะเป็นขยะนะเออเป็นขยะของทะเลเอาน้ําทะเลต้องซัดเข้าหาฝั่ง เพราะนั้นขอให้พวกเราพระเนนทุกลูกหลานทุกคนนะพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติาตโยมพุทธบริษัทสีของพระพุทธเจ้าถ้าเสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็บอกว่ามันไม่ดีถ้ามันดีอยู่แล้วเราก็ต้องดีดีรู้จักไม่ดีท่านดีก็คืออยู่ในหลักพระ ธ, ธรรมวินยัยศรัทธาญาติโยมกอยรรมูอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในศีลห้าโยมที่ดีโยมที่ดีคืออะไรคือโยมที่มีศีลห้านั่นแหละมาตรฐาน ถ้าพระที่ดีคืออะไรพระจะอยู่ในศินสองยี่2ิบพระที่ดีนะั่นน่ะคือกฎระเบียบส่วนคุณธรรมนั้นนะ่ะท่านได้พระโสดาบันนะั่ะแปลว่าอยู่ในมาตรฐานเลิศเลเป็นอริยะบุคคลจะเป็นฆราวาสก็เป็นอริยะบุคคลแต่เป็นพระสงฆ์ก็เป็นอริยะบุคคลถ้าตํากว่านั้นลงมาว่าโกโลกิยะบุคคลโลกิยะอย่าง มีการเสื่อมเสียยังทำให้เสื่อมเสียได้พร้อมที่จะทำความชั่วเสียหายได้บางทีก็ดีบางทีก็เลวโลกิยะเนี่ยแต่ว่าโล ก, กุตระเนี่ยแปลว่ามาตรฐานพระโสดาบันขึ้นไปว่ามาตรฐานของคุณงามความดีแต่ั้นในพวกเราเดินขึ้นไปหาถึงมาตรฐานนั่นนะพระโสดาบัน ปรสรียะบุคคลพนะขอให้พวกเราทุกท่านเนะเรื่องการงานของเราก็ใกล้เข้ามาแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่8แล้วนะ9ก้1สิบสิบเอ็ดก็ใช่ละพนักคอยพวกเราทุกองดูดูช่วยๆกันดูใครมีหน้าที่อะไรดูดูหน้านี่เป็นหน้าหนาวนะพี่น้องประชาชนอาจจะมาพักควรจะให้ที่พักพาอาศัยตรงไหนควรจะให้อย่างไร ก็ให้พวกเราช่วยๆกันคิดะนะแล้วก็วันนี้เขารายงานมาอีกนะเสาเข็มนะหลวงพ่อช่วงนี้หลวงพ่อพูดเรื่องเสาเข็มบ่อยนะเพราะนวันนี้ก็มีคนถวายเสาเข็มอีกอาจารย์ชาญวิทย์นาโสมถวาย 2,828 บาทแล้วก็คุณสวภพา AIA พิจิตนะทบุญเสาเข็ม 1,000 แล้วก็ทําบุญงานก็เราอีกหนะึ่งพันเป็นสองพันนะแล้วก็เสาเข็มวันนี้นะวันที่วันที่เจนะ็ดเมื่อวานวันที่เจ็ดนะวันที่เจ็ดกอพอ <c oughs> เวลาสิบแปดศูนย์ศูนยนอเพราะวันที่แปดยังเป็นวันนี้นะเง <c oughs> ินเงินก็คงยังไม่เข้านะเขาเอาวันที่เจ็ดเมื่อวานวันที่เจ็ดกอพอหกศูนย์ 2,160 เงินที่เข้ามาแล้วอยู่ในบัญชีเสาเข็มนะ26ล้าน9 0 6,464 บาทนะโอ้มากแล้วแล้วก็ยังขาดปัจจัยเสาเข็มอยู่นะ5ล้าน2 0 19,216 บาทยังเหลืออยู่5ล้านกว่าใกล้ความจริงเข้ามามากแล้วนะ เรื่องเสาเข็ม32ล้านน่ยยังขาดอยู่ห้าล้านกว่ากว่าแต่เด่นี้เขากำลังจะเซ็นสัญญาผู้คุมงานเหมือนกันนะจะตนเหทนะบริษัทคุมงานแต่หลวงพ่อยังหารือกับฝ่ายพระสงฆ์ในวัดของเราที่ผู้คงแกเรียนที่เป็นขราชการผู้เฒ่ามาบวช ก็ได้ปรึกษากันทั้งฝ่ายพระด้วยและกัฝ่ายญาติโยมที่เกี่ยวข้องเพราะวัดเนี่ยไม่ใช่วัดของหลวงพ่อองค์เดียวหลวงพ่อจะไปตัดสินองค์เดียวตัดสินใจองค์เดียวไม่ได้เรื่องการเงินถึงจะหลวงพ่อจะรับเป็นผู้รู้ก็จริงอยู่แต่หลวงพ่อเป็นซื่อตรงซื่อสัตย์จะตัวปัจจัยที่ได้มาโดยเป็นธรรมเหมือนท่าหลวงพ่ออยู่องค์เดียวก็ไม่มีใครที่จะถวายมากแต่นี่มันอยู่กับหมู่กับเพื่อน เขาถวายมาเมื่อถวายมาแล้วก็เวลาเราจะใช้ใจอะไรเป็นก้อนใหญ่ออกไปเนี่ยเราก็จะต้องถามปรึกษาหมู่พวกเพื่อนซจะก่อนว่าเออนี่เป็นอย่างนี้นี้เป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมเป็นธรรมไหม เ, เราก็อยู่มาทางธรรมโดยตลอดอชีวิตของทั้งชีวิตของเราก็เป็นสำมเนินมาเป็นผ้าป่าผ้ารงมาตลอดเนี่ยเราก็ รู้ในหลักพระธรรมวินัยนะกฎกติกาและหลักพระธรรมวินัยเรารู้แต่ว่าทางโลกนะเขี่ยวเล็บทางโลกทางโลกนะเล่เหลี่ยมชั้นเชิงทางโลกทางกฎหมายบางทางโลกนะยังอ่อนหัดนะนจุดนั้นนี่เราก็ต้องถามถามหลายหลายคนอย่างทุโมกว่าบริษัทที่จะมารับเหมา เป็นตูแลพัจจดีของหลวงตาเนี่ยสามสิบหกเดือนอืมสามสิบหกเดือนเป็นเงินเท่าไรเขากะเอาไว้ประมาณสิบหกล้านกว่ากว่าสิบหกล้านกว่าว่าแต่ไม่ถึงสิบเจ็ดล้านนะที่บริษัทที่จะมาคุมงานสามสิบหกเดือน หลวงพ่อก็บอกสามสิบหกเดือนเนี่ยเราเราก็คณะของเราเนี่ยหลวงพ่อก็ประกาศแล้วว่าจะรับเจดีของโลงตาเนี่ยห้าสิบล้านบาทประกาศแล้วประกาศอีกนะในเมื่อจะตนเห็นที่บริษัทนี้ทำงานเนี่ยพวกเราอาจจะรับเป็นผู้จ่ายให้เขาเพราะเป็นเพราะมันมเป็นสัดส่วนสมมติเหมือนกับหลวงพ่อจุดใจเนี่ย เป็นผู้สั่งก๋วยเตี๋ยวนะ่ะเพราะเราไม่เกี่ยวข้องเพราะหลวงพ่อสิใจเป็นผู้เซ็นสัญญากับเขานะจะตนเฮนนะ่ะเป็นเหมือนกับเราหลวงพอ่อจิตใจสั่งก๋วยเตี๋ยวนะ่ะแต่พวกเราในวัดของเราเป็นผู้จ่ายเงินนะจ่ายเงินให้บริษัททุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนจนครบแต่ว่าทึงยังไงเราต้องมีข้อแม้เหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่าเราหลับหูหลับตาจ่ายไม่ได้นะบริษัทมาทำงานถูกต้องไหมมาครบไหมแต่ละวันแต่ละเวลาถ้ามาบริษัทเราจ้างไปมาทีละคนสองคนมาทีละคนมาหน้างานเราก็จ่ายเงินครบเเราต้องมีแมวมองอีกเหมือนกันนะเราต้องมีหูตาที่นั่นอีกเหมือนกัน ถ้าว่าบริษัทมาคนมาไม่ครบเนะ่เราจะเบี้ยวทันทีนะจะว่าไม่บอกมันกันนะเราไม่ใช่ว่าจะหลับหูหลับตาจ่ายไม่ใช่นะทางว่ามาบตามสัญญาบอกว่าคนมาครบมาดูแลครบดูแลถูกต้องเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจคณะกรรมการพอใจทุกคนพอใจไม่ใช่พอใจเป็นบางคนไม่เอา คณะกรรมการต้องพอใจหลวงพ่อจึงจะจ่ายให้เป็นเดือนๆไปเราอาจจะรับมาจ่ายให้ถ้าว่ามันถ้าไม่ถูกต้องตามหลักกฎเกณฑ์หลวงพ่อก็จะต้องพิจารณาอีกเหมือนกันนะเพราะนั้นหลวงพ่ออยู่ในปา่าหงพงไพหลวงพ่อต้องการความซื่อตรงความซื่อสัตย์เป็นธรรมถ้าเป็นธรรมแล้วเอิดทําได้ ถ้าเป็นโลกมาแล้วนะ่ะหลวงพ่อจะต้อง เ, อเอบี้ยวทันทีแหละไม่ให้พูดง่ายคนที่ไม่เป็นธรรมจะให้ได้ยังไงใช่ไหมถ้าเป็นศีลเป็นธรรมล้วเอเอมาเท่าไรเท่ากันนี่แหละเราอาจจะพวกเราอาจจะรับก็ได้นะเดี๋ยวจะปรึกษากันอีกสักสองสามรอบสักก่อนมั่นใจสะก่อนเพราะเราจ่ายเป็นเดือนเดือนก็คงจะไม่หนักหนานะ จะตุปใจเพราะมันตั้งสองสามปีนะถ้ายอยมาถ้ายอยมาถ้ายอยส่งไปเรื่อยๆคงจะพอไหวอยู่มั่งเงินกระถินเงินผ้าป่าเรามันนั่นแหละเงินอะไรแต่ถล่มเข้าไป เ, เพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตา น, นี่แหละอันนี้กันหลว ง, งพ่อจะต้องได้ปรึกษากับหลวงปู่หลวงตา นี่เป็นผู้คงแกเรียนที่ผ่านโลกมาแล้วก็ปรึกษาพระเณรในวัดของเราปกติก็ควรจะรับรู้รับทราบตลอดถึงญาติโยมที่เกี่ยวข้องนะนี่แหละหลวงพ่อทำอะไรทาพยายามทำให้รอบคอบนะให้ทำให้รอบคอบให้รับรู้รับทราบร่วมกันพอการทำบุญการสร้างตอนนี้ก็คือมันก็เง็ดงบในจํานวนเงินของหลวงตา ในการเซ็นสัญญาสร้างพระเจดีย์เนี่ยก็ต้องมีบริษัทควบคุมงานอีกเหมือนกันเพราะนั้นการที่จะทำอะไรก็อรอบคอบไปดีกว่านั่นแะแต่เราก็ไม่ได้ก้าวไกลาในหลวงพ่อสุดใจส่วนที่ท่านใช้จ่ายไปเอ อ, เอท่านใช้จ่ายไปทำไปแต่ส่วนย่อยส่วนย่อยเราพอที่จะช่วยเหลือได้ไหม แล้วก็ช่วยแต่หลวงพ่อ ก, กลัวอีกเหมือนกันนะกลัวว่าหลวงพ่ออินคลาคลายกับว่าเปิดบัญชีขึ้นมาเพื่อรองรับจะตนเฮนจ่ายเงินให้จะตนเฮนเพื่อให้คนโอนเงินเข้ามาช่วยหลวงพ่ออินอหลวงพ่ออินคลายคลากับว่าดูดเงินหลวงพ่อก็กลัวจุดนี้อีกเหมือนกันแต่ตามไม่จริงมาพิจารณาดูแล้วก็เอือ ถ้าว่าผู้ใดก็ตามพูดคํานี้ขึ้นมานะให้ต่างคนต่างเปิดก็แล้วกัน เ, เปิดคนละสิบล้านสิบล้านอ่างข้าพเจ้าอาวัดไหนต่อวัดไหนเป็นลูกศิษย์หลวงตานะขอรับสิบล้านนะศรัทธาญาติโยมผู้มีศรัทธาโอนเข้ามาอาตมาเป็นผู้รับไนดะ้สิบล้านหรือยี่สิบล้านนะห ล, นะลวงพ่อเอนะ็นรับห้าสิบล้านนะข้าพเจ้าจะเอามากกว่าหลวงพ่อเอ็นก็ได้อาอตมาขอรับสักร้อยล้านนะ ก็ไม่ผิดกติกาใช่ไหมล่ะต่างคนก็ต่างเป็นลูกศิษย์องคหลวงตาเหมือนกันรับเข้าไปก็ช่วยๆกันปุสุก็เอาจตุปัจจัยเข้าส่งเข้าไปข้อสาคัญพอเข้าปัจจัยข้าบัญชีจะไปอมเถอะจะไปเกินเถอะถ้าเกินน่ะท้องแตกป้ายายอมพอบานเขาจะเอาตะขอเกาะพุงออกมาหละพอไปกินเงินเจดีของหลวงตา ตกนรกหมกไหม้ไปอีกนะพวกนั้นให้ระวังกันแล้วกันจุดนั้นของใครของเรานะกรรมมันไม่หนีจากไม่ไม่ไมคำ ว, ว่าบาปกรรมที่นี่มันตรงยิ่งกว่าไม้บรรทัดถ้าใครทํากรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมดีก็จะนองถ้าใครทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะสนองเองไม่มีใคร ท, ที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของผู้กระทําเอง เพราะฉะนั้นพวกเรามาถึงจุดนี้แล้วต้องเชื่อกรำเชื่อผลของกรรมที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในป่ารงพงไพ่ยอย่างนี้รักษาศีลภาวนาอย่างนี้อดอาหารอดนอนผ่อนอาหารบําเพ็ญอยู่อย่างนี้เราเชื่อกรำเชื่อกรรมเ ช, ชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทําถ้าเราทําดีแล้วจะชั่วได้อย่างไรถ้าเราทําชั่วแล้วจะดีได้อย่างไร เพราะนั้นไม่มีใครที่จะรู้ความดีความชั่วยิ่งกว่าตัวของเราแต่ละคนเพราะฉะนั้นให้พวกเราตรวจตร า, ด, ร า, ราดูเราทําเราคิดเราทําเราพูดชั่วหรือหรือดีนี่ยไม่มีใครที่จะรู้เพราะนั้นให้พวกเราสังเกตตัวเองนะถ้าผู้มีสมาธิเราจะเห็นได้ชัดเลยนะจิตใจที่เป็นสมาธิจะเห็นได้ชัดจิตใจมันนิ่งนะถ้าจิตใจมัน ขุดมัวนะมันจะมองไม่เห็นนะเห็นความดีความชั่วมันจะมองไม่เห็นเมื่อคนอารมณ์โกรธอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดนะเออถ้าอารมณ์รักเข้ามาอะไรก็สวยงามไปหมดชอบความรักความใคร่ไปหมดอันนีอ้อารมณ์ราคะอารมณ์โทสะขึ้นมาก็ขวางหูขวางตาไปหมดเพราะอะไรเพราะจิตใจมันไม่เน่งถ้าจิตใจเน่งสงบแล้วนะจะมองเห็น